บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชีวิตของผู้คนในยุคสมัยใหม่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนไม่เคยว่างเว้นจากการต่อสู้ดิน้นรนต้องแข่งขันจริงดีจิงเด่นกันมีทั้งคู่แข่งและคู่แคน น้อยคนนักที่จะประสบความสาเร็จไปพร้อมๆกับความสุขและความบริสุทธิ์เพราะส่วนใหญ่จะไขว่คว้าสแสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัวมีเบญจา ก, กามคุณห้าเป็นเครื่องล่อให้ยึดติดและก็หลงวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขติดแท้จริงคือต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของใจศูนย์กลางกายตรงนี้เนะี่ยเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ์เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนาเราเข้าไปพบกับผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมัดโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆห ล, ลับตาข้อลูก พอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่า ก, กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กระคะนให้เหลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธ ของใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่า เรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้าย ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิด ที่มันเกิดขึ้นของพระรัตนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากาหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวาทถิตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอ ร, า ร, ารหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัตถุปมาสูตรว่าจิตเตสังกิริเถ ท, ทุกติปาติกังหาเมื่อจิตเศร้ามองไม่ผ่องใส สุขติเป็นสิ่งที่หวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศรามองสุขติเป็นที่หวังได้การดำเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้เนี่ยจะให้เป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราหรือหากแม้ละโลกไปแล้ว จะเป็นผู้ที่มีสุกติหรือทุกติเป็นที่ไปก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นอยู่ใ่ใจเราผู้รู้ทั้งหลายทั้งกล่าวว่ามนโนปพังคมาธรมาคือทาทั้งหลายเนะี่ยมีใจเป็นสภาพถึงก่อน สำเร็จได้ด้วยใจเมื่อเราละจากโลกนี้ไปโอกาสที่เราจะเลือกเกิดในสุคติภูมิก็ไม่ยากขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้มากน้อยเพียงไรถ้าก่อนสิ้นลมหายใจเนะี่ยมีใจสหมองมีเรื่องกังวล หวงหาอาววรในสิ่งต่างๆแล้วก็นึกถึงแต่บาปอากุศลอกุศลจิตก็นำพาชีวิตตกไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าหากเรานาะมีสติควบคุมตนเองทรงใจไปถึงพระรัตนตรยัยให้ใจน่ะแช่่มอยู่ในบุญกุศลล้วนๆที่เราได้เคย สั่งสมไว้แล้วก็รักษาใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจให้ได้ตลอดเวลาไม่ให้ใจกระเพื่อมไม่ใส่ใจในเรื่องอื่นเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้ใจส่มหมองที่เคยทำเอาไว้ก็ไม่นึกถึงไม่ไปใส่ใจ เมื่อรักษาใจให้ผ่องใสได้อย่างนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะมีสุขติสวรรค์เป็นที่ไปแน่นอนมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องของลูกเศรษฐีตกยากเนื่องจากไม่ได้พบกัลายาณมิตรตลอดชีวิตที่ผ่านมา ยิงไม่ได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้เลยเอาแต่คบเพื่อนไม่ดีหลานสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดซึ่งพ่อแม่ได้มอบให้ไว้จนหมดสิน้นแต่ก่อนตายพระอรหันต์นำมาช่วยไว้ทำให้เป็นผู้มีจิตผ่องใสจึงได้ไปบังเกิดเป็นโรกเทวดา เรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงราชเครืมีเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นคนมั่งคัง่งสั่งสมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนหลายสิบโกอดเขามีลูกชายคนเดียวลูกชายก็เป็นที่รักของพ่อแม่มากทำให้ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ประนึ่งว่าเทพกุ ม, มารทีเดียวเมื่อลูกชายเติบโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่กลับคิดว่าทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้นะ่ะมีมากมายเมื่อลูกของเราจ่ายทรัพย์ให้สิ้นเปลืองไปวรพันธ์กหาปณะถึงจะจ่ายอยู่อย่างนี้ทุกวันแม้มีอายุถึงร้อยปี ทรัพย์ที่สังสมใบนี้ก็ไม่มีวันหมดสิน้นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้ลูกเสียเวลาไปศึกษาเล่าเรียนให้ลำบากเมื่อคิดกันอย่างนั้นแล้วจึงไม่ได้หาครูดีๆมาสอนหนังสือลูกชายก็เอาแต่เที่ยวเตรสนุกสนานเฮฮาไปวันๆพอโตขึ้นเป็นหนุ่ม พ่อแม่ก็ได้ให้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีฐานะเสมอกันทั้งคู่มัวหมกมุ่นอยู่ในเบญจากากมคุณและทรัพย์ที่พ่อแม่มอบให้แล้วก็ยังห้อมล้อมด้วยพวกมิจฉาทิฐิและคนพาลเป็นผู้มืดมนไป่ดีมโมหะใช้เวลาให้พานไปอย่างสูญเปล่า เมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมลงเขาก็ได้เป็นใหญ่ในประสาทและทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เพราะความโง่เขาเบาปรราัญญาถูกเพื่อนหลอกเอาทรัพย์ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายชีวิตก็จมอยู่ในอบายามุกมากขึ้นเรื่อยๆทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ไม่พอพูนมีแต่หมด ไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ใช้วลพันกระหาพณะนะอย่างที่พ่อแม่คิดเอาไว้สิแล้วแต่หมดไปเวลาเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะตัวเองใช้ทรัพย์โดยขาดปัญญาไม่นานเท่าไรนักก็สิ้นเนื้อประดาตัวเที่ยวขอยืมเงินเขาเลี้ยงชีพยืมแล้วก็ไม่ได้ใช่นี่พวกเจ้าหนี้ก็มาทวง ก็ต้องให้ที่นาที่สวนกระทั่งบ้านเรือนก็ตกเป็นของคนอื่นไปส่วนตัวเองก็ต้องกลายเป็นคนขอทานเที่ยวถือกระเบื้องขอทานก็กินโดยพักอยู่ที่ศาลาของคนอนาถาในนครนั้นคลานอยู่มาวันหนึ่งพวกโจรมาชักชวนให้ลูกเศรษฐี ไปร่วมจี้ปล้นทรัพย์ด้วยการกระทานี้เนะี่ยแม้จะรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่เขาก็ต้องทำเพราะหมดหนทางเนื่องจากไม่เคยศึกษาวิธีทรมาหากินเลยพวกโจรเห็นว่าลูกเศรษฐีนะัเป็นคนซื่ อ, อไม่รู้เล่เหลี่ยมเท่าทันคน จึงให้คอยดูต้นทางอย่างเดียวแล้วก็พาการไปจี้ปล้นเอาทรัพย์ของชาวบ้านในเวลากลางคืนแต่เนื่องจากตนเองไม่ชำนาญเป็นโจรได้เพียงไม่กี่วันก็ถูกเจ้าของบ้านจับได้ก็ถูกรุมทุบตีจนเลือดไหลโสมกายทีเดียวจากนั้นก็จับเขามัดส่งพระราชา พระราชาทรงมีพระบัญชาให้ตัดศีรษะของลูกเศรษฐีเจ้าหน้าที่รับสนองพระบรมราชาองค์การแล้วจึงให้มัดพลาไหล่หลังพาตรเวนเขี่ยนตีด้วยหวประจานไป ร, บรอบๆพระนครอย่างไม่ปราณีสมัยนั้นในพระนครมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อสุรษา ยืนอยู่ที่ประสาทได้มองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นลูกชายเศรษฐีซึ่งกำลังถูกประจานก็จำได้เพราะเธอเคยได้รับการบำรุงบำาเรอให้แก้วแหวนเงินทองของมีค่ามากมายในครั้งก่อนจึงเกิดความสงสารลูกชายเศรษฐีนางได้ส่ง ขนมต้มสี่ลูกและน้้ำดื่มไปให้ร้อมกับแจ้งให้ผู้รักษาพระนครทราบว่าขอให้เพชฌคาตรอคอยจนกว่าบุรุษคนนี้เนะี่จะกินขนมต้มและดื่มน้ำไม่สบายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วจึงค่อยประหารชีวิตในระหว่างนั้น พระมหาโมคลานะตรวจดูดิทิพยจักษุเห็นลูกชายเศรษฐีกำลังจะถึงแก่ความตายด้วยความเมตตากรุณาท่านจึงได้หายวับจากวัดพระเจตวันไปปรากฏกายข้างหน้าลูกเศรษฐีฝ่ายลูกชายเศรษฐีกำลังจะทานขนมต้มเมื่อได้เห็นพระเถระมาปรากฏต่ตอหน้าก็มีจิตเลื่อมใส จึงได้ถวายขนมต้มเล่นน้ำดื่มแด่พระเถระพระเถระรับมาแล้วก็นั่งฉันในที่เมกไลรทำให้ลูกชายเศรษฐีบังเกิดมหาปิติในทานของตนเองที่ได้ทำไปใจของเขาก็ได้ส่งไปในพระเถระและนึกถึงทานกุศลที่ได้ทำเอาไว้ก่อนตายเมื่อถูกเพชชฆาต ลงดาบตัดศีรษะเขาก็ได้อัตภาพใหม่คือได้ไปบังเกิดเป็นรุกขเทวดาที่ต้นสายใหญ่ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิเห็นไหมจ๊ะว่าจิตของเรานี่ยสำคัญมากนะจ๊ะถ้ารักษาไว้ให้ผ่องใสยอยู่เสมอแม้มรณาภัยมาเยือนก็ไม่ต้องวันวดัด ถึงแม้จะไม่เคยสั่งสมบุญเอาไว้เลยแต่ก่อนตายหากได้มีโอกาสทำบุญบ้างแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสก็มีโอกาสที่จะได้ไปสุคติสวรรค์เหมือนกันนะจ๊ะนี่เป็นเพียงหนึ่งในล้านของผู้ติโชคดีที่ได้กระยะนานมิตรชั้นเยี่ยมคือพระอรหันต์สาวกมาโปรด ทต่ไม่ปิดประตูอบายยาภูมิเอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามหากทาบุญเอาไว้น้อยแม้จะได้ไปสู่สักติก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆนเมื่อหมดบุญก็ต้องไปเิบวิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้เพราะกรรมใดที่ได้ทำเอาไว้ที่จะไม่ส่งผลนั้นนะเป็นไม่มีเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง ดังนั้นในขณะที่เรามีโอกาสดีได้สั่งสมบุญให้กับตนเองเพื่อทางทางไปสู่สวรรค์แลนิพานเราก็ต้องใช้โอกาสที่เป็นมนุษย์นี้นะให้เต็มที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับชีวิตของเราถ้ารู้แล้วนะไม่ใช้โอกาสนี้สร้างบารมีก็น่าเสียดายนะจ๊ะชีวิตนี้นะ่ เราเลือกเกิดได้จะไปเป็นเทวดาหรือจะไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิก็อยู่ที่ตัวของเราเองเรามีร่างกายมีชีวิตเหมือนกันเหลือแต่ว่าวิถีชีวิตเราน่าจะเลือกเดินแบบไหนเส้นทางไปนรกก็ไปทางหนึ่งเส้นทางสุสวรรค์และนิพพานก็อีกทางหนึ่ง แต่หลวงพ่อว่าเรานาเกิดมาทั้งทีควรรีบสั่งสมแต่ความดีเอาไว้ให้มากๆจะดีกว่านะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนั่งธรรมะให้ใจของเราผ่องใสอยู่เสมอเมื่อไหร่เข้าถึงพระธรรมกายได้เหมือนนั้นก็ปิดประตูอบายภูมิจะมีแต่สุขติภูมิเป็นที่ไป สุตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงสัมปรายภพเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง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 ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน